เอาไปรักใครชอบใครเนี่ยมันก็ชอบไปเกี่ยวพันชอบไปผูกรัดเขาก็เลยเปรียบกับงูด้วยแล้วก็รัดรัดตายรัดตายร้อนใครแต่งงานไปแล้วเนี่ยอยู่กับงูอยู่กับงูพิษเออพิษพิษมากเนี่ยพิษมากนี่คือทุกมากเนี่ยเข้าใจไหมเนี่ยคือทุกมากเนี่ยเปียบพิษงูเนี่ยก็เหมือนกับความทุกข์ เพราะฉะนั้นเนี่ยทุกทุกมันก็จะมากอย่างนี้ขนาดงูเหลือมเนี่ยงูเหลือมจริง จ, งจงไม่ได้มีพิษเออแต่รัดตายกีกินทั้งตัวเลยเอออะเกินทั้งตัวเลยเพราะนั่นดูสีขนาดพิษมันไม่มากนะแต่มันผูกรัดมากเรียกว่ารัดกระดูกกระเดียวนะั่นเลยนะกรอบเลยนะหักเลยนะเออนุ่มเลยละ่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาเขาจึงชอบเปรียบกับงู เนี่ยคือการคือการผูกพันคือการร้อยรัดกันเอาไว้พรว่าเวลาเรารักใครชอบใครเนี่ยนะชอบผูกไว้เดี๋ยวกินข้าวด้ยวยกันนะ เ, เดี๋ยวไปเที่ยวด้วยกันนะเดี๋ยวอะไรอะ่ะไปซื้อของด้ยวยกันนะเอชอบทำตัวเป็นงูนั่นแหละรักใครชอบใครก็ชอบทำตัวไปงู ไ ม, ไม่ไม่เกี่ยวกับคนเกิดปีมะโรงมาเส็งนะออันนั้นเขาเขาเปรียบไอ้อะไรนะเขาเรียกอะไรอะไอ้ไอ้ราศีอะนะนั้นไม่เกี่ยวแต่อยนนี้ดูดูการเปรียบอนะเนี้จริงๆแล้วเปรียบพิษของงูเนี่ยกับลักษณะของงูเนี่ยเนี่ยก็เปรียบเหมือนกับกามที่ว่ามันมีมันเป็นทุกข์อย่างนี้นะเนี่ยต้องเข้าใจให้ได้นะบางทีเนี่ยเปรียบอย่างเงี้ยอาจมาบอกว่าเปรียบเพื่อให้เราเนี่ย อุบประมาณแล้วเข้าใจให้ได้เพราะถ้าคุณเข้าใจได้เนี่ยบอกโอ้โหคุณเห็นจริงๆเลยนะว่าโอ้โหเราเป็นรักใครชอบใครเนี่ยเหมือนกับเราเอางูมาลัดตัวเรานอะแล้วไม่ใช่งูธรรมดานะั่งงูพิษนะหมายถึงว่ามันจะเป็นทุกข์นะถ้าคุณอุบประมาได้อย่างนี้จริงๆเนี่ยคุณก็จะเห็นทุกข์โทษภัยได้จริงๆใช่ไหมคุณก็จะได้ห่างๆงูเออ คุณไม่ใช่ไอแบบที่เขาอะไรนะไปนอนกับแมงป่องไอนอนกับงูอะไรต่ออะไรนะเอออ่ะอ่ะต่อไปการเป็นรากเง่าแห่งทุกมีทุกขเป็นผลเหมือนผลไม้ที่เป็นพิษอ่าคราวนี้เปรียบการเป็นรากเง่าแห่งทุกนะเปียบเปียบตอนแรกเนีเปียบเป็นรากเง่า คือมันเป็นอะไรอ่ะเป็นต้นตอลากเงาเนี่ยเป็นต้นตอเลยอ่าเพราะว่ามเมล็ดหรืออะไรต่างๆเนี่ยถ้าจะโตขึ้นไปได้มันต้องต้องมีลากเงาแล้วก็ลากเงาก็เป็นตัวบางส่วนใหญ่ก็เป็นตัวยึดเป็นตัวที่จะทำให้ต้นเนี่ยตั้งขึ้นมาได้หรือดูถาอาหารเข้ามาได้เพราะฉะนั้นเนี่ยก็เลยเปรียบว่า เป็นรากเง้าแต่รากเง้าเนี่ยหมายถึงทุกเสร็จแล้วก็อะไรเปลี่ยนเหมือนกับผลผ ล, ลไม้ที่เป็นพิษอ่ะตอนแรกเปลี่ยนเป็นเป็นรากต้นไม้สมมตินะอันที่สองเปลี่ยนเหมือนกับเป็นผลของมันดูนะรากรากเสร็จแล้วก็เอาส่งอาหารหรืออะไรต่ออะไรใช่ไมไอไ อ, อ, อร่างกายเราเนี่ยหรือหรือหรือต้นต้นไม้เนี่ยในที่สุดมันก็ต้องออกผล คือหรือว่าจะต้องมีสิ่งที่จะสืบต่อหรือว่าสืบทอดต่อไปผลนี่ก็จะเป็นตัวที่จะสืบทอดต่อไปอ่าเพราะฉะนั้นเป็นผลที่เป็นพิษนะมันจะเป็นตัวเนี่ยแหละที่เราบอกว่าเดี๋ยวเกิดชาติหน้าก็ต้องเป็นอย่างนี้อีกเกิดชาติโน้นก็ต้องเป็นอย่างอย่างนี้อีกเนี่ยมันเป็นผลสืบเนื่องเขาเรียกว่าสัน ต, ติคือมันเป็นตัวที่จะทาให้เราเนี่ย จะเป็นอะไรต่อไปก็อยู่ที่ผลอันนี้แหละถ้าคุณทำผลอย่างนี้หวยก็ต้องออกอย่างนี้แหละเพราะคุณทำผลไว้อย่างนี้เนี่ยมันเป็นไปตามกรรมอันเนี้ยที่เราก็ะทำเอาไว้วัในใครไปสั่งสมกามสั่งสมความยินดีพอใจอะไรไว้ผลมันก็สืบต่อไปว่าคุณก็ต้องติดอันนี้ต่อไปคุณก็ต้องชอบอันนี้ต่อไปคุณก็ต้องเป็นอย่างนี้ต่อไปไม่จบ จะวนอยู่อย่างนั้นแหละเพราะนั้นถ้าเราไม่อยากให้ผลละไม้เป็นพิษอยากให้เป็นผลที่ที่เป็นทิพเป็นทิพเป็นผลที่ที่ดีเป็นผลหอมหวานเป็นผลที่กินได้น่าอย่างสุขสบายใจไม่เป็นทุกข์ทษภัยอะไรเพราะนั้นเราก็จะต้อ ง, ท ำ, ง, งทำตั้งแต่รากเงาทำตั้งแต่ปัจจุบันเนี้ยให้มันดี เพื่อที่จะได้ส่งผลต่อไปให้ดีะนะเสร็จแล้วการเป็นเหมือนความฝันเป็นของหลอกลวงเหมือนของที่ยืมเขามาอ๋อนี่เป็น2ข้อแล้วนะตอนแรกการเป็นเหมือนความฝันคือไม่ใช่ความจริงความฝันไม่ใช่ความจริงเราจะเรียกว่านิมิตนิมิตเนี่ยเป็นความฝันที่เป็นลางบอกเหตุแต่อันนั้นจะบอกเหตุในอนาคต อนาคตถึงจะจริงแต่ตอนที่ฝันอยู่ไม่จริงฟังดูดีนะตอนที่ฝันอยู่ไม่จริงเพราะฉะนั้นความฝันไม่ใช่ความจริงเพราะฉะนั้นกามไม่ใช่ความจริงความอยากเนี่ยความอยากความปรารถนายิ่งโดยเฉพาะที่เป็นกิเลสความอยากความปรารถนาที่เป็นกิเลสกามเนี่ยไม่เป็นความจริงหมายความว่ายังไงหมายความว่า เปลี่ยนได้เปลี่ยนจากความอยากในทางที่ไม่ดีเนี่ยเปลี่ยนมาเป็นความอยากที่ดีได้เพราะความอยากในทางที่ไม่ดีเนี่ยถือว่าเป็นเหมือนความฝันเพราะอย่าไปอย่าไปแบบว่าอย่าไปชอบฝันแบบ น, นี้ให้หัดมาสแสวงหาความจริงโดยอะไรกันนี้โดยทำยังไง ดูสิดูพฤติกรรมดูการกระทาดูจริตนิสัยของตัวเองว่าตอนนี้อะไรไม่ดีบ้างอะอะไรที่ไม่ดีเนี่ยนั่นแหละคุณฝันร้ายแล้วตอนนี้คุณฝันร้ายแล้วตอนนี้อะไรที่ไม่ดีเพราะนั้นรีบสิใช่ไหมจะเปลี่ยนแปลงจริตนิสัยจะแก้อะไรยังไงได้ละ่ะเพราะนั้นฝันเนี่ยมันแก้ง่ายอยู่แล้วพระบอกแล้วจริงๆมันไม่ใช่ของจริงไง คุณทำอะไรผิดไปเนี่ยมันก็เหมือนความฝันอะโอ้โหผิดไปแล้วรู้ไหมว่าผิดผิดไปแล้วจริงๆยอมรับผิดไหมยอมรับเออแต่ยังไงเอาแก้ไขใหม่ได้นี่ก็ถือซะว่าออฝันร้ายไปแล้วแหละทำไม่ดีไปแล้วองคุรีมาเนี่ยดูซิโอ้โหทำไม่ดีไปตั้งเยอะแยะฆ่าคนตายไปตั้งมากมายแล้วจะทำยังไงได้อะ ถ้าบอกว่าเป็นความจริงไม่ฆ่าคนไปแล้วจริงทำไปแล้วด้วยจริงแต่สิ่งที่ทำไปแล้วเนี่ยจริงๆมันก็จบแล้วนะทำไปแล้วก็เป็นบาปกรรมเป็นอะไรไปละอแต่ถ้าเราเข้าใจว่าว่าปัจจุบันเนี่ยถึงจะเป็นความจริงใช่ไหมอดีตก็เป็นความฝันอีกแล้วเพราะมันมันไม่ใช่จริงแล้วอะอดีตแล้วนี่ไม่ใช่ความจริงอีกต่อไปแล้วเพราะปัจจุบันคือจริงที่สุด องคุลิมาเนี่ยฆ่าคนตายไปแล้วแต่เพราะปัจจุบันมาได้ฟังพระวิ้าเทพสอนเสร็จแล้วก็เข้าใจธรรมะปฏิบัติแล้วบรรลุธรรมอย่างเงี้ยปัจจุบันเป็นพระอรหรอันต์อดีตฆ่าคนจริงไหมฆ่าคนจริงแต่ฆ่าไปแล้วอะ่ะเพราะตอนนี้เป็นพระอรหันต์แล้วอะ่ะเร็วเหมือนเดิมไหมไม่จะเร็วเหมือนเดิมแล้วเปลี่ยนแปลงแล้ว เดี๋ยวนี้ดีแล้วแต่วิบากรรมมีอ่ะตามมาเล่นงานเพราะฉะนั้นตามมาเล่นงานเนี่ยก็ต้องยอมรับว่าไปทำเอาไว้ทั้งๆที่ปัจจุบันไม่ทำละไม่ฆ่าคนไม่อะไรละเลิกเพราะฉะนั้นถึงบอกว่าอดีตเนี่ยแม่ทำไปจริงนะแต่ปัจจุบันนี้เราเลิกได้แล้วเนี่ยถือว่าอดีตเป็นความฝันแล้ะเพราะปัจจุบันเราเลิกแล้วอะ่ะเราไม่ทาแล้วเพราะอดีตน่าจะเลวร้ายยังไงมาก็เป็นความฝันแล้ว ไม่ใช่ความจริงแต่วิบากกรรมคุณก็ต้องชดใช้ไปถ้าเราเข้าใจตรงนี้ได้เนี่ยคุณจะได้รู้ว่าคนเปลี่ยนแปลงได้อะไรที่ไม่ดีเราเปลี่ยนแปลงได้ส่วนสิ่งที่ดีเราถึงต้องบอกว่าอนุรักษนาคือตั้งพยายามรักษาไว้นะคือคืออะไรดีเนี่ยจริงๆอะไรดีเนี่ยมันก็จะเปลี่ยนได้เหมือนกันนะเปลี่ยนเป็นเลวก็ได้นะ มันก็เลยต้องแบบว่าต้องพยายามดิทาเรื่อยๆทํำบ่อยๆย้ำแม้ปัจจุบันก็ยังทาแม้ปัจจุบันก็ยังทานี่แหละคือการรักษาคือยังคงอะไรดีเนี่ยยังคงทาอยู่ยังคงทําอยู่อย่างนี้อคราวนี้อดีตดีมาปัจจุบันก็ยังทําดีอย่างนั้นอยู่คุณก็รักษาไว้ได้อย่างนี้ไม่ใช่ความฝันแล้ว อดีตนั้นเป็นความจริงเพราะปัจจุบันเราก็ยังทำอยู่นะเนี่ยจะไม่เป็นความฝันอันนี้แหละถึงจะเข้าถึงสัจจะได้เสร็จแล้วก็บอกว่าเป็นของหลอกลวงเหมือนของที่ยืมเขามานั่นแหละจริงๆแล้วมันมันเหมือนเราไปยืมอะไรใครเขามาเนี่ยมันไม่ใช่ของเราไงเป็นของคนอื่นเขาคุณได้มาเนี่ยคุณมาใช้คุณมาอะไรเดี๋ยวก็ต้องคืนเขาเพราะคุณไม่ใช่เจ้าของ พูดง่ายว่าเป็นเจ้าของไม่ได้เพราะคุณไม่ใช่เจ้าของเพราะั้นกามเนี่ยยิ่งถ้าพูดถึงตัวตนบุคคลเนี่ยเราเป็นรักใครชอบใครคุณเป็นเจ้าของเขาได้เหรอเป็นไม่ได้เป็นเจ้าของตัวเองยังไม่ได้เลยเป็นเจ้าของตัวเองยังไม่ได้เลยใช่ไหมอย่าไปพูดถึงเป็นเจ้าของคนอื่นก็เลยไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องไปรักแบบผู้ชายผู้หญิงก็ได้ พ่อแม่เนี่ยมีลูกมาคุณเป็นเจ้าของลูกได้มหมยังไม่ได้เลยลูกมันจะทําอะไรมันบางทีอ่ะมันก็ทําอย่างที่เขาจะทะําอ่ะคุณจะไปยังไงกับเขาอะ่ะถ้าคุณเป็นเจ้าของได้เขาก็ต้องทําตามสั่งทุกอย่างเออคุณจะยังไงอะไรเขาก็ต้องตามคุณทุกอย่างแม้แต่ความคิดคุณก็ต้องบังคับความคิดเขาได้ถ้าคุณเป็นเจ้าของแต่นี่สิ่งที่สาคัญที่สุดคือ คุณบงังคับจิตใจเขาไม่ได้เพราะคุณแน่นอนเลย <_ ele> เรื่องจิตใจเขาคุณเป็นเจ้าของไม่ได้แน่นอนเพราะอันนี้ถึงบอกว่าว่าเป็นเหมือนกับเป็นของหลอกลวงเป็นเหมือนของที่ยืมเขามาก็คือเป็นเจ้าของไม่ได้ห้อนกามเนี่ยเป็นของหลอกลวงนะแล้วก็เป็นเจ้าของไม่ได้ยิ่งไปหลงว่ามันเป็นความสุขเนี่ยมันเป็นความสุขที่หลอกลวง แล้วคุณจะยึดความสุขนั้งไว้นะความสุขตามสัง่งสั่งเมื่อไหร่ให้สุขสุขมากไม่ใช่ชื่อคนนะเมื่อสั่งให้สุขสุขมากมันไม่มาเออบางทีเนะี่ยคุณสั่งให้สุขอะ่ะโอ้โหโดนเขาอัดเอาอัดเอาเออเพราะฉะนั้นมันไม่ใช่จริงไงถึงบอกว่าเป็นของหลอกลวงอ่าเสร็จแล้ว การเป็นดังโรคเป็นหัวฝีเป็นความทุกข์ยากเป็นความลําบากเป็นดังโรคเนี่ยโรคภัยไข้เจ็บอะไรเราเข้าใจอยู่คนไปเข้าใจว่าการเป็นความสุขใช่ไหมแต่ที่ไหนได้การเป็นเป็นโรคนะเสร็จแล้วเปียกเป็นโรคไม่พอนะเออเป็นหัวฝีคือหัวฝีเนี่ยมันเป็นยังไง อาการของใครที่มีหัวฝีเกิดขึ้นเนี่ยเออมันเจ็บมันปวดมันทรมานยิ่งจาฝีหัวช้างก็ยิ่งโอ้โหยิ่งทรมานยิ่งเจ็บมากก็นั่นแหละเพราะจะให้เห็นว่ามันจริงๆความจริงเนี่ยมันตรงกันข้ามกับความอยากของคนเลยบอกแล้กามคือความอยากนี่นะคือคนเนี่ยอยากไอ้นั่นอยากไอ้นี่อยากไอ้นั่นอยากมีความสุขอยากอะไรต่ออะไรแต่ความจริงเนี่ย โดยสัจจะชีวิตเนี่ยมันเป็นทุกข์มันไม่ใช่เป็นสุขแต่คนอยากสุขเนี่ยแต่ชีวิตจริงๆมันทุกข์เนียโดยสัจจะงั้นคนเรามันก็เลยแบบว่ามันก็ชอบชอบอะไรอะ่ะหลอกตัวเองหลอกด้วยอะไรพยายามหลอกแล้วก็พยายามแสวงหาตามที่หลอกหลอกว่าต้องรวยถึงจะสุขเขาก็ต้องขยันไปหาเงิน หลอกว่าอะไรนะต้องต้องแต่งงานถึงถึงถึงจะมีความสุขอ่ะเขาก็ต้องไปแต่งงานทั้งทั้งที่ความจริงมันไม่เนี่ยก็แล้วแต่ว่าจะหลอกอะไรแหละก็แล้วแต่ประเทศแล้วแต่ชาติก็หลอกไม่เหมือนกันเพราะส่วนใหญ่เป็นอย่างนั้นส่วนใหญ่แสวงหายอย่างนั้นแล้วก็ยังหลงอยู่อย่างนั้น มันก็เลยไม่เข้าใจว่าจริงๆมันเป็นโรคนะมันเป็นหัวฝีนะมันเป็นความทุกข์ยากนะมันเป็นความลําบากนะโอ้โหกว่าจะรักกันได้ก็โอ้โหลาบากเหลือเกินเทีเ่ยวไล่เที่ยวคือเออควักกระเป๋าแล้วควักกระเป๋าอีกเอออะไรอีกอ่ะโอ้เสียเวลาอีกโทรศพัพท์ไม่ไปทั้งหลายเครื่องอะไรอีกอ่ะอ่ ถึงหวงมั่งต้องคอยระ ว, วังต้องคอยดูแลรักษาต้องคอยอะไรอีกต้องคอยเอาใจต้องคอยอะไรทําตามใจต้องคอยแบบว่าเอาใจอะไรพวกเนี้ยโอ้จริงๆก็มันเหนื่อยยากมันลําลบากเอาใจตัวเองก็แทบจะแย่อยู่แนละ้วต้องมาเอาใจคนอื่นอีก <c oughs> โอ้ หาข้าวบางกินปากเดียวก็ลำบากหายยังหลายปากโอ้ลำบากท้องเดียวก็แทบจะแย่นี่จังหลายท้องเข้าไปอีกนั่นแหละเนี่ยมันเป็นความทุกข์ยากเป็นความลำบากอีกอันนึงบอกว่าอะไรรู้มะเป็นดังเพชชคาตโอ้โหเป็นดังเพชชฆาตเป็นภัยคือเป็นจริงๆเป็นเพชชคาตก็เป็นภัยแล้วแหละโอ้โหกาเป็นอย่างกับเพชฌาตเพชฆ า, าคืออะไร เพชฌฆาตคืออะไรเออคือคนที่มาประหารชีวิตคนอื่นเขาอะ่ะเขาเรียกว่าเนี่ยเนี่ยพวกมือเพชฌฆาตทาหน้าที่เป็นเพชฌฆาตคือมือสังหารพวกนี้โอ้โหกามนี่เป็นตัวสังหารเลยเป็นตัวเพชฌฆาตเหรอกามเนี่ยจริงๆกามมันฆ่าคนมันฆ่าด้วยภาษาที่เราใช้ว่าฆ่าด้วยเกสรดอกไม้ ฆ่าด้วยความอยากกรามเนี่ยคือแทนที่มันจะเอามีดิโต้คมๆน่ากลัวมาเนี่ยไม่ถือมาหรอกบีอิโต้ น, น, นี่น่ากลัวนักกามเนี่ยมันมาแบบเป็นดอกกุหลาบเออเป็นดอกกหลาบสีชมพูดอกกีฬาบสีแดงแต่มันเป็นพิษไงมันก็ฆ่าด้วยอย่างเนี้ย ที่เราชอบใช้สำนวนว่าฆ่าด้วยเกสรดอกไม้ฆ่าด้วยอะไรพวกนี้นั่นแหละเพราะนั้นกามเนี่ยมันเป็นเพชฌฆาตแบบนี้คุณอย่าไปโง่นะแหมเพชฌฆาตต้องตัวอ้วนๆใหญ่ๆล่ำๆนะแล้วก็อะไรถือขวานถือมีดอันโตโตโอ้ยไอ้นั่นมันเพชฌฆาตหลอกเด็กเพชฌฆาตผู้ใหญ่เนี่ยโอ้หน้าหวาน หน้าตาหลอลอสวยสวยอ่าอันนี้นี่เราเรียกเทพพบุตรมารเทพทิดามานอะไรพวกนี้นี่นี่มือสังหารเพียงแต่จะมาในรูปแบบไหนเท่านั้นเองอรูปแบบนี่แล้วส่วนใหญ่มาในรูปแบบที่ค่านิยมของสังคมหรือรสนิยมของโลกที่เราเรียกว่าอัสศาธะาเนี่ยรสอร่อยหรือว่าเยื่อล่อในโลกเนี่ยอัาธะที่มันเป็นเหยื่อล่อในโลก เพาะไอเหยื่อล่อพวกนี้แหละที่ทำให้คุณติดใจทำให้คุณพอใจทำให้คุณชอบใจทำให้คุณอยากได้ทำให้คุณปรารถนาทำให้คุณใคร่อยากขึ้นมานั่นแหละกามนั่นแหละมือเพชฌฆาตมันฆ่าคุณด้วยความรักมันฆ่าคุณด้วยความอยากมันฆ่าคุณด้วยความใคร่นั่นแหละ เสร็จแล้วก็ถึงบอกว่าพอพอใช้คำว่าเป็นดังเพชรจฆ่าเสร็จแล้วก็บอกว่าเป็นภยัยย้ำลงไปอีกเพราะบอกแล้วว่าเพชรจะฆาตแบบที่อาตมาบอกให้ฟังเนี่ยบางทีเราโอ้โหน่ารักจังเลยมันไม่น่ากลัวเพราะใจเรามันชอบไงใจเรามันยินดีไงมันมีราคะอยู่เพราะนั้นบางคนมองไม่เห็นเนี่ย เมื่อมองไม่เห็นอย่างนี้เนี่ยมันก็เห็นยังเห็นเป็นสุขอยู่ต่อเมื่อเห็นเป็นเพชฌ่าจริงๆเมื่อไหร่คุณจะเห็นเป็นทุกข์โอ้โหยิ่งเจอคนสวยยิ่งเจอคนถูกใจเฮ้ยเพชคฆามาแล้วไอ้โอ้โหไม่อยากเข้าใกล้อ้าสมัยก่อนเนี่ยพวกเพชฌฆาพวกอะไรนี่เขากลัวกันใช่ไหมเขาไม่อยากเข้าใกล้เพราะเสี่ยงเดี๋ยวตายเดี๋ยวตาย ไอ้ น, นี่ขอยิงเห็นดาราโอ้โหคนที่เราชอบจังเลยวีดวีด <c oughs> วีดใหญ่เลยโอ้โหนังเข้าไปมาลุมมาตุ้มเข้าไปขอรายเซนเข้าไปอะไรนั่นนะไม่รู้จักเพชรข้าดเลยไม่รู้จักเพชรค้าดจริงๆเพราะนั้นต้องมีตาทิพนะต้องมีตาทิพถึงจะเห็นเพชรค้าดผู้น่ารัก ถึงจะเห็นโอนี่เหรอเพชฌฆาตมันน่ารักอย่างนี้นี่เองเพชฌคาตไอเพชฌลักเพชฌฆาดที่น่าเกียรติเนี่ยทํำอะไรคุณไม่ค่อยได้หรอกเพราะอะไรคุณไม่เข้าใกล้อยู่แล้วไอ้นี่น่าเกียดจังเลยเพชฌฆาตเนี่ยนะไอคนเนี้อุ้ยหน้าตาอย่างกับเต้าหู้ยี้ไม่เห็นจะน่ารักน่าใครน่าชอบอะไรเลยไอคนนี้หูเสียงอย่างกับ มะนาวไม่มีน้ําเสียงอะไรเดียเสียงเขาเรียกละครังแตกเสียงอะไรคล้องแตกเสียงอะไรโอ้ไม่ไม่น่าอะไรอ่ะไม่น่าละลื่นหูไม่น่าชวนฟังอะไรเลยนั่นแหละเพชฌฆาตพวกเนี้ยไอไม่น่ารักเนี่ยเพชฌฆาตพวกไม่น่ารักคุณไม่อันตรายไม่เป็นภัยกับคุณอยู่แล้วเพราะคุณไม่อยากฟังคุณไม่อยากเห็นคุณไม่อยากเจออยู่แล้ว เพราะนั้นคุณก็เลยปลอดภัยแต่ไอเพชฌฆาตที่น่ารักนี่แหละหน้าหน้าตาก็ดีเสียงก็เพราะก็เพราะของใครของมันนะบอกแล้วหน้าตาแบบใครชอบแบบไหนก็แบบนั้นนะบางคนอาจจะชอบผมหยิกบางคนอาจจะชอบอะไรอะ่ะผมยาวผมสั้นอะไรก็แล้วแต่เออนั่นแหละคุณชอบแบบไหนนั่นแหละนั่นแหละเป็นเพชฌฆาตสาหรับคุณแบบนั้นเห็นให้ได้ถ้าเห็นได้อย่างเงี้ย นนก็บอกว่าการทั้งหลายบัณฑิตจึงกล่าวว่ามีอันตรายมากมีทุกข์มากอย่างนี้เห็นให้ได้พูดไปเนี่ยเปรียบอีกก็ได้อีกเยอะแยะถ้าจะเปรียบแต่จะไม่มีประโยชน์เลยถ้าการเปรียบทั้งหลายเนี่ยคุณมองไม่ออกจริงๆ คือคือคำว่ามองไม่ออกเนี่ยคือมันใช่ตาธรรมดามองไม่ได้และกีถึงบอกว่าต้องต้องตาทิพย์คือคาว่าตาทิพย์เนี่ยก็คือต้องมีญาณปัญญาเกิดขึ้นอันนี้เขาเรียกว่าตาทิพย์ต้องมีญาณบัญญาที่รู้สัจธรรมรู้ความเป็นจริงของโลกรู้ความเป็นจริงของชีวิตนี่แหละคุณถึงจะแยกแยะได้ถึงจะเห็นได้ไม่อย่างนั้นไม่เห็นนะ เพราะว่าเราถูกโลกเนี่ยเราถูกเพชฌฆาตที่น่ารักเนี่ยหลอกเรามาไม่รู้กี่ร้อยกี่พันกี่หมื่นกี่แสนกี่ล้านชาติมาแล้วเพราะฉะนั้นมันยากมันยากที่จะรู้ความเป็นจริงได้คุณไม่พบสัตตบุรุษคุณไม่พบอาจารย์ที่เป็นสัตบุรุษคุณไม่พบผู้ที่ท่านรู้สัจจะรู้ความจริงแล้วก็พยายามมาบอกเนี่ยนะไม่มีทางหรอกเพราะ ต่อให้ขนาดบอกบอกแล้วเราว่าเราพอรู้รู้เนี่ยถามหน่อยเหอะคุณโดนฟันคอขาดมากี่ครั้งแล้วคุณโดนฟันคอขาดไปกี่ครั้งแล้ว อ, อดไม่ได้หรอกบอกแล้วบางทีกูเห็นไอ้อ อ, อาหารอร่อยอร่อยที่คุณชอบอะเห็นทีไรก็ยังอยากกินทุกที อ, อ่ะอันนี้ไม่ถึงไม่ถึงโดนคอขาดนะเพราะว่าเพราะว่าอันนี้อันนี้ยังแค่ไม่ไม่ไมแค่ เขาเพจฆคาดเนี่ยเอาดาบมาวางที่คอคุณยังไม่ฟันยังไม่ฟันเพราะว่าแค่จิตคิดอันนี้นี่แค่จิตคิดเพราะฉะนั้นยังยังแค่เอามาวางไว้เฉยๆที่คอคุณแต่ถ้าคุณพูดหรือถ้าคุณทําเอาละครเนี้ยข่าวนี้นถ้าลงมือทําเมื่อไหร่ก็เมื่อนั้นเนี่ยเสพเงลงมือเสพไปตามนั้นเน่ย นั่นแหละคอขาดเลยยิ่งถ้ามันเป็นมันเป็นเรื่องที่ร้ายแรงถึงขั้นคอขาดเลยถ้าร้ายแรงถ้าไม่ร้ายแรงนะัก็อาจจะเลือกสิบซิบอ่าถ้าเป็นเรื่องที่ไม่ร้ายแรงนะัคุณพลาดแล้วแหละแต่เออแค่เลือกซิบซบไม่ถึงคอขาดแต่บางเรื่องพลาดแล้วมันพลาดเลยมันยากเลยชาตินี้จะหวนกลับได้ พระพุทธเจ้าถึงได้เปรียบภิกษุที่ไปทําปาราชิกท่านเปรียบว่าคอขาดเลยเนี่ยท่านถึงเปรียบอย่างนั้นคือหมดสิทธิ์ในชาตินี้ที่จะมาแก้แก้ตัวได้อีกแล้วแก้แก้ไขอีกแล้วคือหมดหมดความหมดทางแก้ไขในเรื่องนั้นแล้วจบเลยถึงใช้คําว่าปาราชิกคือไม่มีโอกาสได้แก้แล้วชาตินี้ต้องรอชาติหน้าต้องมังเกิดใหม่ แล้วถึงจะมีสิทธิ์มาแก้ได้เพราะระวังบางเรื่องบางอย่างไม่ไม่มีโอกาสเป็นครั้งที่สอง one is not enough ครั้งเดียวก็เกินพอบางเรื่องนีกครั้งเดียวก็เกินพอคือหมายความว่าคุณไม่มีสิทธิ์เป็นครั้งที่สองเพราะวังนะบางเรื่องไม่มีสิทธิ์เป็นครั้งที่สองยิ่งเนี่ยถ้าฐานะสูงขึ้นคือคือมาปฏิญาณตนว่า จะถือศีลที่สูงขนาดนี้แล้วคนเคารพกราบว่าเยอะแยะอ้าวคนมาเสียสละให้อะไรต่ออะไรต้องเยอะแยะเพราะฉะนั้นแล้วพลาดประชิดไม่ได้นะพลาดประชิดหมดสิทธิ์เลยนะที่จะมาบวชอีกเห็นไหมอันนี้ต้องเข้าใจนะเพราะว่ากรรมกรรมที่เราจะไปกระทํามันมีหลายระดับต้องรู้ว่าเรื่องไหนระดับไหนโอโ้ระดับนี้คอขาดนี่ ต้องระวังอย่างเต็มที่ว่อย่าไปใกล้ชิดอย่าไปคล้องแววเด็ดขาดเพราะมันคอขาดเลยนะเนี่ยจะต้องระวังอันนี้นะอา้าวันเนี้ยเราฟังเรื่องนี้ไปถ้าเรารู้เราเข้าใจได้นะก็หวังว่าจะได้เป็นสติเตือนใจเราแลนะเราจะได้ไม่เป็นผีหัวขาดอา้าวันนี้องคพ่อท่านี้